ปัตชิมวัยของประเทศวิสธิมงคลหลวงปู่ีมหาวีโรปฏิปทาของท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วในยุคสมัยที่กิเลสหนาขึ้นโดยลำดับการปฏิบัติของท่านในวัยหนุ่มยังมีร่างกายแข็งแรงยินนีในที่นั่งที่นอนอันเป็นป่าช้าและป่าชัดอันสงัดใช้ผ้าบางสุกุลไม่เลิศร้างจากการบินทบาทไม่ต้องการนอนนั่งในที่นอนอันสบายใช้ท่อนไม้เป็นหมอนหนุน เป็นอยู่อย่างไม่ประมาทแม้จะทุกกายทุกใจเจียนตายถึงน้ําตาหนองหน้าร้องไห้อยู่กลางป่ากลางเขาเพียงลําพังแต่ก็ยังสู้อุตสาห์ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนได้ท่านได้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงออกเผยแผ่พระธรรมคําสอนจาริกพรเนจรไปในที่ต่างๆไม่เห็นใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวและยังได้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและวาสาขาไว้มากมายแม้ในประชิมวัย ร่างกายท่านระงมไปด้วยชาราภาธท่านก็ยังเที่ยวไปโปรดศิทธิอนุสิตตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศมีได้ขาดธรรมะของหลวงปู่ศีมหาวีโรเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแสดงถึงเรื่องจิตกิเลสกรรมล้วนๆแม้ท่านจะไม่ใช่พระประเภทนักเทศที่มีชื่อเสียงโ ด, ด่งดังเพราะท่านพูดน้อยแต่คําพูดของท่านก็เป็นประเภทพูดน้อยแต่ต่อยหนักมีสาระล้วนๆในวิชาราส่วนมากท่านมักจะนั่งนิ่งๆ เมื่อมีคนมากราบไหว้สนทนาเล็กน้อยท่านก็จะให้พรเพียงเท่านั้นข้อวัตปฏิบัติของท่านในวิชาราตอนเช้าท่านยังออกรับบิณฑบาตตามภาตขันธ์ที่อํานวยหลังฉันจังหันเสร็จแล้วท่านเข้าพักเล็กน้อยบางทีท่านก็ออกมาเดินจงกรมทําสมาธิภาวนาตรวจบริเวณวัดตรวจดูเก้งกวางนกยูงและสัตว์ต่างๆภายในวัดให้อาหารปลาที่สาใหญ่บางวันก็ออกไปโปรดสานุสิต ต, ต่างวัดสาขา ส่วนจิตนิมนต์ท่านจะไม่ค่อยรับเพราะาธาตุขันไม่ค่อยอํานวยแม้อยู่ในวัยชราแต่กิริยาท่าทางของท่านคงองอาจสง่างามครองจีวรเป็นปริมนทนสวยงามเสมอก้าวย่างเดินอย่างมีสติปรุดราชสีประชาชนพระเนร ล, ล้วนวันเกรงในเมตตาบา ร, รมีธรรมของท่านเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2541 เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนประกาศตั้งโครงการพระป่าช่วยชาติในยามที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้สินต่างชาติหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านก็เอาธุระของครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ทั้งที่ท่าขันไม่สู้จะอํานวยท่านก็ยังปล่าประกาศให้สนุสิตทั้งหลายมาร่วมโครงการพระป่าช่วยชาติกับหลวงตาส่วนองค์ท่านเอง โดยกราบนิมนต์หลวงตามารับทองคําดอลล่าจัดทอดป่าช่วยชาติทิวัดป่ากุงเป็นประจําทุกปีด้วยความเคารพในองค์หลวงตามหาบุญยณสัมปันโนปรมาจารย์กรรมฐานในยุคปัจจุบันทุกปีท่านจะนําคณะสิทธิานุสิ์วิสาขาทั่วประเทศมาคาระวะหลวงตาบ้างมาทอดพระป่าถวายหลวงตาบ้างท่านถือปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจําทุกปีเมื่อหลวงปู่ศรีเข้ามากราบหลวงตา ถ้าอาสนะมีขนาดเท่าเทียมกันหรือวางเสมอกันท่านจะไม่ยอมนั่งท่านจะนั่งอาสนะบางๆหรือนั่งพื้นเลยนี่คือกิริยาของพระมหาเถระที่แสดงความเคารพต่อกันและกันตามแบบอริยตันติประเพณีภาพที่ท่านทั้งสองสนทนากันเป็นภาพที่น่าเคารพรักอย่างยิ่งพูดพลางยิ้มพลางกระแสเสียงที่ท่านสนทนากันช่างนิ่ม น, นวลรืร่นหู ประกอบไปด้วยความเอ็นดูและเมตตาลุงปูสีจะพนมมือสนทนาเหมือนสามเณรองได้้อยเป็นผู้นั่งนิ่งเสมอจนกว่าลุงตาจะเอ่ยถามทำให้ผู้คนบางคนที่นั่งดูรู้เห็นถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวบ้างก็ปลื้มใจที่มีบุญวาสนาได้เห็นความงามแห่งพระอริยสงฆ์ถึงกับอุทานภายในใจว่าต่อแต่นี้ไปภาพแห่งพระมหาเถระ ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่อย่างนี้จะมีปรากฏให้เห็นอย่างนี้อีกหรือไม่หนอเรามีบุญแท้เทียวจึงมีโอกาสได้เห็นพระผู้ทรงคุณเช่นนี้ชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแท้ๆผ่านจากยุค ข, ของพระมหาเถระทั้งสองนี้แล้วพระผู้มีบุญญาธิการเช่นนี้จะปรากฏขึ้นในโลกโดยธรรมได้อีกหรือไม่หนอหลวงปุสีมหาวีโร ท่านมีนิสัยละเอียดอ่อนสุขุมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความที่ท่านเคยเป็นครูมาก่อนจะคิดจะทําอะไรต้องวางแผนงานให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่สําเร็จได้หรืวนเกิดขึ้นด้วยบุญญาบา ร, รมีของท่านเองนี่คือบุญญาพิญิหานที่ท่านกระทําบำเพ็ญมาแต่บุพเพชาติลาบสาการะชื่อเสียงปรากฏขึ้นเหมือนของทิพย์ที่หลั่งไหลามาจากสวงสวรรค์ท่านจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตาม นี้คืออนิสงฆ์แห่งบุญที่ท่านทำไว้แต่ชาติปางก่อนและปัจจุบันชาติตั้งตนไว้ชอบจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเป็นชาติสุดท้ายของท่านบุญบา ร, รมีทั้งหลายที่ท่านกระทำบาเพ็ญไว้จึงหลั่งไหลหลอมรวมลงมาดังขนหาใหญ่ลาบสการะยศสันเสริญสุขที่มาถึงท่านจึงเต็มตื้นเกลื่อนแผ่นดินแผ่นฟ้าคิดอะไรหวังสิ่งไหน ย่อมถึงความสำเร็จทุกประการจนคนทั้งหลายแทบไม่เชื่อสายตาว่าพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเกิดถินอีสานกันดานแลง้งจะสร้างคุณประโยชน์ให้ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากปุญญานุภาพปุญญานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนาวัดป่ากุงแห่งนี้ รอยทางเท้าแห่งพระอริยาขนาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้ก้าวย่างผ่านมาอยู่เสมอเช่นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรสมเด็จพระอรียาวงศ์ษาคตยานวาดว า, ดวาดสโนสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปูดูนอัตุโลพระารอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์อ่อนญาณสิริหลวงปู่เทศเทศรังสี หลวงปู่บัวสิริโกนโนหลวงปู่สาปอาจินเจนโนหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงตามหาบัวญานสมปันโนพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์สิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเฉมปะปโตหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นต้นชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังไปทั่วทุกทิศเป็นที่ศรัทธาของพระมหากษัตริย์พระราชนี พระบรมวงศานุวงศ์ผู้นําประเทศผู้นําท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นทางสํานักพระชาชวังยังได้กราบรัตนานิมนต์ท่านเนื่องในงานพระราชพิธีสําคัญสําคัญเป็นประจําทุกปีด้วยเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านที่กำจรกองำใจไปท่านยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด, ดังนี้คือวันที่ห้าธันวาคม พุทธศักราช2528เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมสังวรวิสุทธิเถรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวร อ, อุดมวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทศวิสุทธิมงคลนอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหามากุฏราชวิทยาลัยสาขาพุทธศาสตร์เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2546โดยสมเด็จพระยานบรมดมวัดเทศรินทราวาสกรุงเทพเป็นผู้นำมาประทานมอบให้นี้ย่อมเป็นเครื่องประกาศว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งนามว่าพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโร ติดรุ่นสุดท้ายของท่านพระจางมั่นภูริษะโตเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกและได้ก้าวเดินตามรอยบาทพระาศาสดานี้คือศาสนาที่ทรงมักผลนำสัตวโลกให้ผลจากทุกได้อย่างแท้จริงท่านจึงเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงอย่างรากฝังลึกลงในธรรมของพระตถาคตเจ้า เป็นผู้ถึงซึ่งการนับได้ว่าสมณะสักยะปุตติยดยแท้คือผู้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นญายาโดยธรรมท่านเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่เพราะเหตุชนี้แลพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ีมหาวีโรวัยเก้าสิบสองปี พันษาหกสิบสามท่านจึงเป็นผู้ควรจก่การสักการะบูชาควรจะของต้อนรับควรจะของทาบุญควรจะการนบไหว้เป็นเนื้อนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าดังนี้แล